เมืะกลับออกไปแล้วจะก็แบบ ไ, ไปบ้านแก่ ก, ก็ประกาศคําสั่งหัว ห, หน้าหัวหน้าคณะปฏิวัติกล่าวพบอฏิวัติบ้านโอ้เฉพาะบ้านนะอนับ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่บ้านนี้ถ้าใครฆ่าตัดตัดชีวิตแม้แต่กระจกไม่ไม่ไม่ตอนตังต้งเวลาหนึ่งชั่วโมงแม้แต่จริงๆตัวแกใครฆ่ากวางตันจะอยู่บ้านนี้ไม่ได้ออ จะขับตอนดีนี่คนหน้าบวชปฏิวัติธบักการสามแต่พาะใบ้านนะแต่พะในบ้านโดยปฏิวัติใหม่ใช่ไหมสามอันนี้อันนียว่าถ้ามีโทษอย่างนี้นะถ้าใครที่ได้มโนยิทินแล้วให้ติดตามไปหาเขาถ้าคุณได้ตั้งใจว่าเราจะไปหาใครมันจะไปตรงทันทีและการช่วยเนี่ยเราจะช่วยได้ตรง เขาต้องการอะไรบ้างต้องช่วยตรงตามความมุ่งหมายนะครับถ้าช่วยไม่ตรงความมุ่งหมายที่ผลจะมันยังจะไม่เกิดอต้องการอะไรต้องใ ห, แห้แบบต้องทําตามนั้นเพื่ออย่าเดาเออาาววรรมื่อกี้นีน้องอยู่ที่กุฏิเป็นงานของพ่อครับเปล่าฟังข่าวมีใครถอยจากมันก็ไม่ถอยาจหายใคไมีเครื่องฟังจริงๆน อ, ก, นอ ก, ก็รับก็าถามว่าตอนนี้ก็เป็นลูกติดลงพ่อเหมือนกัน อยากจะถามว่าที่วัดนี้มีการต่อยุไหมอ๋ออาจารย์ค oh. รับ <Chill> ช <ican mantra> uh ่วยไปหาไม้ทอดหากาามาทีนะโอ้ยงเก่าก็ได้ยมอ่าจะออกไปนะอ้ใครเข้ามาแล้วก็เอาเหล็กต่อยาวๆอ๋อต่อยุให้ยาวไนะใช่อ้โไอ้ความจริงการต่อยุนี่มันไม่เป็นผลหรอกก็มันก่ว่าการตายจะมีสองอย่างถ้าเป็นอุปกาจกรรมไม่โตได้ครับ าภาพเสัญญ ร, รมต่อไม่ได้เป็นการละมรณนะใช่ไหมต ร, บรบาบตราบภาพเป็นการละมรณนะบทอายุขได้ต่อไม่ได้จริงๆแต่ว่าเป็นอาการละมรณนะสมัยก่อนจะต้องกระตายในระหว่างท่ามกลางอายุสมมุติว่าก่อนจะเกิดขเขาก็หมดอายุมาแปดสิบปีแล้วเราอยู่สามสิบยี่สิบปีถ้ามันจะตายก่อนเพราะบาปที่เป็นปานาดิบัตอันนี้ต่อได้อถ้าปอายุขัยต่อไม่ได้ อาจารย์ก <Workers S 2> <ang> okay. ็ตอบไม่ได้แชงก็ตอบไม่ได้อก็ต้องเข้าเมนโยมที่ว่าไปเลยนะเช้ยร้อมแล้วพร้อมๆโยมทำเป็นพร้อมแล้วาาบแล้วต้องมาเผาเออยังขาดแค่ขาดอะไรนุ่มว่าขาดปืนใช่โยมใช้ปืนตายโยมใช่เลยอ่าประเดี๋ยวใครต้องการตายแล้วมันจะเสียตังค์เขมรปืนเป็นคนละดุนละดุนเอาว่าต่อไป อ่าจะลองพระกรรมฐานนี้ถ้าหากว่าเล่นหวยรวยบบ <c oughs> จะทําให้สิ้ขาดไหมมโนมยิทธะจะเสื่อมไปหรือเปล่าคะไอ้ที่ทาำ น, นี่มันไม่เกี่ยวกับสิ้นไม่เกี่ยวกับมโนยิทธิ์นะ <c oughs> เดินหวยรวยโบ <c oughs> นะเอ <c oughs> ไอ้รวยโบนี่สงสัยถ้าเดินหวยรัฐ บ, บาล น, นี่ก็ไม่ผิดสิ้นนี่ ไม่เปยนอธินาทานาลอตเตรี่ อ, อ๋อหวยลอตเตรี่นะลอตเตอร่ลอตเตรี่ไม่มีภาษีใช่ไหมครับครับตอนนี้รวยโปนี่สงสัยในนี่แลมม้วขโมยเขาเล่นอ้โหอปรนี่เวลาที่จะเล่นนี่ทำันได้จะเล่นได้ต้องเสียภาษีใช่ไหมครับแล้วจะเสียค่าอะไรก็มันไป่เคยนี่เขาอีตัวนี้ผิดจินมันเผื่อผิดอธินาทานใช่ไหมครับแต่ว่าไทยถามว่ามันโลภที่จะเสื่อมไหมเปวนที่กําลังใจ ถ้ากําลังใจเราเป็นชานโลกีชานโลกีนี่มันไม่แน่ไอ้ดีเขาเรียกว่าชานหัวเต่าชานหัวเต่าเป็นไงไอ้เต่ามันฉุกข้าวฉออกเลยเจี๊ยหัวเท่ากระดองได้โผล่มันอกอ๋อถ้าเวลาไหนศีลบริสุทธิ์มิวรณไม่กวนใจมโนมิจฉาี่ก็สมบูรณ์แบบอ๋อถ้าเวลาไหนเท่าศีลไม่บริสุทธิ์มิวรณกวนใจเวลานั้นมโนที่ก็หายตัวไป เขาไม่แน่นอนนะสราบทราบก็ขอทราบตามนี้ก็แล้วกันยักยอกเงินของสามีที่ให้ไปซื้อกับข้าวา <laughs> วาัล <laughs> ะวันละห้าบาทสิบบาท <laughs> เพื่อเอามาทำบุญ อย่างนี้จะได้บุญสมบูรณ์แบบหรือไม่เจ้าคะเดี๋ยวเราทากก่อนทําบุรวัดไหนเนี่ย <c oughs> ถ้าผิดวัดไม่ได้นะโอตรงตรงงวัดตาคงนะไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวลงนะรบกวนครับครับเออยอดนิสัยคนเงี้ยนะเดี๋ยวก่นอนไอตัวนี้คิดยากคำว่าความจริงสามีภรรยาเนี่ยก็ถือเป็นบุคคลคนเดียวกันนะครับออ่าผเจะถือว่าขโมยไม่ได้นะครับครับ ยังไม่อยู่ในเกมว่าขโมยใช่ไหมสมมติว่าก็ให้สตังค์ไปร้อยบาทเอาล่อซะห้าบาทไอ้สตังค์ห้าบาทนี่ไม่ใช่ไปซื้อเหล้ากินตั้งใจประบุมใช่ไหมอ๋อท่า้เข้าใจว่าเป็นปัใจจัยให้สามีได้บุญไปโดยไม่รู้สึกตัวอ๋อโหกลับดีขึ้นไปอีกอนะจะให้จับได้จะได้แับแรงอันริษสงแรงเลยเนี่ยเออี่คนขโมยแบบนี้เป็นมาโสดาบันได้นะ อะไรพ่อน้าขโมยตาม่างทำบุญ น, นะถามท่านดูว่าคนขโมยจะขโมยถึงครึ่งไหมไอ้ที่ขโมยจะเป็นปสดาบันในขโมยครึ่งเลยนะขโมยแบบไหนเขาให้เงินมาสองตำลึงยักยอกไปหนึ่งตำลึงเอาไปซื้อของมาหนึ่งตำลึงแลว้วให้ให้ผูรับให้เจ้านายอต่อมาคนนี้ก็เป็นปสดาบันผู้จุตรนะเงิน<อ>เรื่องสา ม, มาวาดี<อ>ใช่ไหม ว่าคุณจุติรานี่เป็นคนรักไทยของนางสามาวดีกราบว่าเจ้าเินพระยาทานค่าดอกไม้วันละสองตำลึงสมัยก่อนแปดบาทใช่ไหมคราบครั บ, รบเธอก็ไปซื้อดอกไม้ได้สี่บาทเก่าก็เป็ดเอ้ยเก็บเขากะเปลาเจ็บเขากระเปล่าได้สี่บาทอ๋อเพิ่นไหงว่าอย่างนี้ทุกวันกับนางสามาวดีถ้าไม่เคยออกมาข้างนอกคราบก็ไม่ทราบว่าดอกไม้มันถูกมันแพงขนาดไหน เมื่อได้มาแค่หนึ่งตำริงหรือสี่บาทสมบัตขนาดนั้นก็พอก็ทันยินพอใช่ไหมครับทำไม่เกิดความเหมาะสมวันหนึ่งคุณจิตตราไปจดอกจะไปซื้อดอกไม้ไปพบพระพุทธเจ้าเขานายมาลายการบอกที่ไอ้เจ้งดอกไม้จะมันมีแล้วเธอวันนี้พระพุทธเจ้ามาที่นี่บันขึ้นใหม่ในโลกเธอมาช่วยฉันเลี้ยงระแลวก็ฟังเทศเดียวกัน ก, นก่อนเธอเราพบได้ยากเธอก็ตกลงใจ วันนั้นยังไม่ได้ขโมยอย่าลืมนะสาบวันนั้นยังไม่ได้จ่ายกระตังท่าขโมยก่อนก็ต้องคิดเหมือนกันอ้อนนี้ก็เป็นนั้นว่านางคุติราก็ทําการช่วยเขาเลี้ยงพระเขช่วยเขาเลี้ยงพระแล้วก็สมาทานสิงพระเจ้าให้สีงห์ใช่ไหม<ะ>พระเจ้าก็ทรงเทศพอเทศจบเธอได้เโสดาบันโอตอนนี้กิตอนนี้ท<ต>ําไงเบสดาบันสิงมันต้องครบ ไม่ขาดแล้ใช่ไหมครับครับขโมยไม่ได้เลยซื้อดอกไม้สองตำลึงเลยอ๋อเพราะจับมาถึงพนางสาวมาวดีพนางสาวมาวดีเมื่อดอกไม้มันมากไปเท่าตัวอแต่ว่านี่เธอคุจิราพระราชาทรงพระราชทานค่าดอกไม้เพิ่มหรื อ, อยังไงแกบอกไม่จะเพิ่มพระเจ้าค่ะวันก่อนก่อนมอมฉันขโมยไั้หนึ่งตำลึงอ๋อ แล้ววันก็นางสายเมาวดีก็ถาว่าวันนี้ทำไมไม่เอาล่ะความจริงซื้อมาหนึ่งเต็นหนึ่งก็พอจะได้บอกเอาไม่ได้ทำไมครับวันนี้ฟังเทศหลวงพุทธเจ้าเป็นพระสว ด, ดารบันซะแล้วโอ้ได้ขโมยไม่ได้ความจริงพระสว ด, ดารบันนี้ก็ไม่คดีนะคราบครับทำไมอ่ะศาสตร์ตอาชีพเขาสิโอ้โหศาสตร์อ่านี่เห็นไหม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 แต่เวลาถวายสังฆทานก็แอบเอาชื่อของแกลงทุกครั้งอย่างนี้แม่แกจะได้บ้างไหมคะแอบเอาชื่อลงไม่ได้ต้องแอบเอาตั้งแม่มาด้วย <c oughs> คือวแม่เป็นคนรักศานาไงนะว่าท่านไม่ได้มทนานี่มันหวังยากนยะแต่ว่าถ้าเงินจำนวนนั้นทำร่วมกันมาในท่านมีส่วน ดิฉันอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าการที่ดิฉันนั่งสมาธิหาวะหาแวดทนี้<อ>จะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะไอ้ดีดเขาเรียกทานพิเศษแต่ไม่ควรจะแก้เ น, ะนี่ยทานพิเศษนะถ้าทานหาวโอ้โหแต่เขาต้องพยายามหาวให้ได้มาตรฐานเอ๊ะมี ม, มีมีหามาตรฐานไหมใช่หาวไปมาหาวเป็นดาวเป็นเดือนเลย ดาวขึ้นเดือนขึ้นใช่ไหมคราวอันนี้ก็เขาเรียกว่าเดี๋ยวหาแล้ง่วงหรือเปล่าผขไม่ง่วงนลมันก็สะกกลสะกกอยู่เวลาธรรมดามันไม่หาวพอจะนะมะพระถาวาโอใครสัญญานไงสัญญาณโอแต่ก่อนจริงหาวที่ไม่หมายถึงง่วงบางทีมันไม่ง่วงนลยถ้าเป็นนิวรณ์เนี่ยมันต้องง่วงกว่าจะหาวใช่ไหม เท้าง่วงด้วยง่วงด้วยเท้าด้วยนะสองอย่างถือว่าเป็นนิวรณ์ตัวที่สามใช่ไสามสามอันนี้ทราบนิวรณ์ตัวที่สามเมื่อแสงความง่วงเข้ามาเข้าหําต้องแก้ตามที่พระเจ้าทรงสอนพระโมคคัลลาอตอน น, าานี้พระโมคคัลลาไปจากเลยก็กลับมาถานพระหวังเป็นอรหนันต์เกิดความ ง, ง่วงพระเจ้าทรงกระเด็ดไปบอกโมคคัลลาถ้าเกิดความ ง, ง่วงขึ้นหนึ่งให้มือยี่ตา ถ้ามือขยี่ตายังไม่หายให้ลืมตากว้างๆราบถ้าลืมตากว้างๆยังไม่หายให้น้ำล้างหน้าพรว่างนนดูดาวใช่ไหมนี่ช่นั่งให้ลุกเดินไปแค่เขาจะคลายความง่วงคราบถ้าลองทำตามนี้นะเพราะว่าถ้าหาวาไม่ง่วงไม่ต้องแก่ที่เรื่องธรรมดาคราบครับดิฉันตั้งใจจะไปถวายสังฆทานพระข่างวัด ข้าวัดจะข้างบ้าน ข, ข, ข, ข, ข้างข้างบ้านมั้งแต่บางเอิญไม่ครบองสงอย่างนี้จะเป็นสังฆทานบริบูรณ์ไหมเจ้าคะกวาจริงถึงแม่ครบองคสงก็ไม่ควรจะถวายมีพระอีกสามองวัดนะไม่ใช่เปนอยู่ข้างวัดนี่มีวบางคนวัดใกล้บ้านท่าวัดวัดใกล้บะเอ๊ะนี่ต้องคิดนะถ้าไม่ครบองคสง ถ้าไหวแล้วเป็นสังฆทานไม่ได้หนึ่งสองสามนี่เป็นสังฆทานไม่ได้อเว้นไว้แต่ว่าพระท่านอย่าทําถูกอแต่ว่าความจริงถาไวายได้เนี่ยแต่พระถ้าพระทำไม่ถูกพระลุงนรกเองอ้าวสมัยเป็นไงนละะ่ะคุณพ่อเขาถาวายบอกว่าเป็นสังฆทานาใช่แล้วถ้า<ๆ>ว่าจริงกันใช้กันแค่หนึ่งองค์สององค์สามองค์นี่เป็นปาฏิบุตรสังฆทานเกี่ยวกันนานเขาถูกต้องแต่พระลุงนรกแม่จริงของสงฆ์ ถ้าพระทำไม่ถูกก็หมายว่าเ ม, มื่อรับมาแล้วแล้ ว, ลวก็นําส่วนใดส่วนหนึ่งไปถวายวัดอืน่นใช่ไหมครับไอ้วัดนั้นอาจจะมีองค์สององค์ก็ตามเป็นเป็นเพมีส่วนได้โดยการครบองค์สอ์ใช้ได้เลยโอ้ก็วุดว่าใคาแกงมามอ น, นึงม่อใหญ่เขาต้นไหมถ้าตักไปแบ่งวัดอื่นช่อนนอกนั้นไว้หมดเลยไห <c oughs> มหมดเลยถ้าจริงต้องแบ่งไปเนี่ย ถ้าไม่แบ่งไปอันตรายเกันกับพระเอ๊ยสง่างพระถ้าไมรู้เรื่องเหรอท่านบังบุตรใหม่ๆไม่รู้เรื่องก็ดีแล้วเนี่ยตอนนี้นักยมไม่ต้องต่อสู้ไม่รู้เรื่องก็หลงกันเหรครับรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็หลงอบบัตเนี่ยมันเป็นทั้งรู้แล้วไม่รู้ไงโอรู้อยู่ก็เป็นไม่รู้อยู่ก็เป็นสงสัยก็เป็นใช่ไหมอาจารย์เคยบุตมาแล้วไหมนี่เรื่องใหญ่มากครับ แต่มีแต่ใช่ไหมครัอแต่แตทําไมหนอหลวงพ่อจึงรับองค์เดียวได้คะนีแ่แคอพ่อฉันคนเดียวนะพระอื่นไม่ได้อาเป็นกรณีพิเศษเพระไทยพิศกเล่อไหนครับนี่เรื่มงพระธาตุงเดียวก็นอย่างนี้พ่านรับองค์เดียวเนี่ยถือว่าเป็นผู้แทนสงอของส่วนนั้นทั้งหมดต้องเข้าส่วนกลางอ ใช่วขาฉันนี่ฉันมาฉันเข้าส่วนกลางหมดสาบัสาบครับแม้แต่ยังเขาบอกนี่ถวายน้องพ่อนะดีให้มากเกินไปฉันใช้ไม่หมดนี่แล้ว<อ>ก็เข้าส่วนกลางไปเห็นไ<อ>มครัส ค, ครับแลมีญาติโยมยังไปกรุงเทพคราวนี่แล้วซองหนึ่งถวายมาเงียบเงียบอีซองหนึ่งเลยขอถวายเป็นส่วนตัวหลวงพอ่อจค่ะก็รับซอมาจะบอกหมื่นบาทกับน้องพอ่โอโอ้โหมีสามสี่รายเป็นหมื่นๆใช่หรอือ เป็นมันหมื่นเดียวไม่ใช่หมื่นหมื่นนะคนบางก็งสามหมืนม่นอ๋อไม่หมื่ป่ะหมื่นบาทตอนนี้ใช้ก็สบายฉันไม่ใช่นในชเดือนหนึ่งมันก็ไม่ถึงพันบาทา บ, บางเดือนแค่ไม่ถึงร้อยบาทโอ้บางเดือนถ้าหาป่วยแค่สบายมิชอบพิเศษก็อาจจะถึงพันบาทโอเงินนอกจากนี้ทั้งหมดฉันก็ไปใช้เป็นส่วนสนักทานเคื่อเสื้อห้ารเลี้ยงพระจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าเพื่อพระในวัด ใช่ไหมใช่ใแล้วก็บางส่วนก็นําไปสร้างเรือหางทานอีกส่วนหนึ่งก็ไปช่วยธรรมทานที่เทศขาดทุนอะเทศขาดทุนเทศเี่ขาดทุนแง่แงที่จะขายเนี่ยเอ๊ะทำไมเทศขาดทุนพ่อเทมทำไมขาดไดใชแขนขาดเออได้ยินหลายๆครั้งแล้วพ่ช่วยช่ว ย, วยแถลงหน่อยนะเจากก้าว่าอ้คัดเศษมันก็แพงใช่ไหมนี<า>ม่ง า, า, าการก็แพงโอ้แล้วเครื่องแหละาจะแสงไฟฟ้าโค้งสูงยังไม่ได้คิด ถ่าจ้างพระยังไม่มีครับคไอ้นี้มันอเราคิดได้คิดแค่ข้าวเศษก็น่ากลาบนะครับคองอย่างเลยนะเรียกว่ามันแค่จะไปไม่รอดนะโอ้โหแล้วไม่ส่วนหนึ่งคือหัวหัวคือหัวมันทึกเส้นถ่ายทอดเนี่ยครับคหัวหนึ่งเวลานี่สี่พันเศษโอ้โหแลงนั้นเราก็ต้องใช้ทั้งสี่สามสิบสองสิบสองหัวเหอเสียทีเท่าไหร่อปีหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนกันทีหนึ่งไม่ถึงปีอ่ะ ครับครับเอ๊ะอย่างนี้ก็อย่างนี้ไม่ได้หรอกครับพ้อแก้ปัญหานะใ่ไหมคือว่าอย่าพ่ออย่างฟังวัดจำนายม้วนละลนะยี่สิบห้าเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นม้วนละห้าที่สองไปเลยนะโอ้โอความจริงมันคนจะเปลี่ยนเป็นม้วนละห้าร้อยห้าร้อยยี่สิบบาทแหมกับเมตาแรงสิเอออย่างนี้ที่ทําอย่างนี้เนะีต้องการให้บรรดาญาโยมเนี้ยที่ถวายเงินมาโดยไม่จํากัด อมีส่วนทั้งหนึ่งปลาติ่กุฏิสถานถวายฉันขาดส่วนตัวสองแสงธาตุนอาหารเข้าไปฟ้าคสามีหาทานในการก่อสร้างสีธรรมชาติเรื่องเทพอันนี้บุญใหญ่มากอองั้นก็นิโมให้ขาดทุนต่อไปเถอะน้อยเลยน้อเลยอาจจะได้บุญบุญแรงนะมันไม่ใช่ขาดทุนนี้ได้กําไรอ๋อาได้กาไรเป็นส่วนทานบุญอะบุญสูงขึ้นเห็นไหมญาติโยมพอยได้ด้วย คือท่านเป็นของเงินท่านตรงใดแน่เพราะเราตั้งใจตานั้นนะกราบกราบก็แบบนี้ก็ใส่ที่กจะไหวบวชติวพ่อปานครับเป็นไงลุงพ่อครับพ่อปานนั่นบอกถ้าเขาถวายเงินละมาสลึงหนึ่งอยากให้เขาได้บุญอย่างเดียวอถ้าเรากินเราใช้คนเดียวเขาได้บุญในส่วนตอนบุรุษทานใช่ไหมคราบอย่างน้อยสุดท้า้เขาได้ในส่วนสังฆทานด้วยอถือว่าไปร่วมในการหาอาหารถวายพระ จะได้วิหารทาน ร, รุ่นขรงการก่อสร้างเท่าไหร่อย่างนี้อช่ไหมเป็นว่าญาติโยมในเวลานี้ก็สร้างพระพุทธรูปกันบางบางญาติโยมไม่ได้ร่วมทุนด้วยเงินจนวันนี้เขาเ้าไปสมเพราะพระพุทธรูปทุกองคเนี่ยที่บ่อราคาญาติโยมไปนี่ยไม่พอกับทุนหรอก อ, อย่างพระพุทธรูปชั้นะดีสงหน้าตั ก, ตกตสี่ศอกนะครับตั้งราคาในกรุงเ็จขั้นตังนะตั้งราคาหนึ่งมืนบาท ค่าจ้างเขาจริงๆ9กพันไปแล้วโอ้โหใช่ไหมสบายไหมนี่พันบาทค่าบูนมนพร้อเปล่าโอ้หลวงพ่อหนูพอใจทำนะเข้าใจทำชอบชอบชอบคือเขาทานี่เพิ่มขึ้นไง ก็ไม่ช่นี่ก็เงินญาติโยมที่มาจํากัดอะไรมาช่วยอ๋อมาตรงน้นนิดตรงนี้หน่ใช่ใช่เาก็มีส่วนในการสร้างรูปด้วยเอ๊ะงั้การถวายปัจจัยตามอะไรตามอัธยาศัยนี่ก็ทําให้ใจอนิสงส์หลายอย่างนะอย่าอย่าไปกันฆ่าญาติโยมทําไมล่ะครับคุณรักษาพยาบาลอนิสงส์หลายอย่างจริงหนึ่งปลาติภูกระดสะทานหนึ่งบกพรตคลอหลวงพ่ออันใต้หนึงสองสังฆทานอาหารพระเฟทาสามสามดีหายทานการก่อสร้างสี่ภาทานเทศ ห้ า, หาพระวุทรูหกหกใสกระเป๋าไม่ได้ ไ, ได้พ่อของดิฉันตายไปเยีสยเศษปีนั่งสมาธิดูรู้ว่าเกิดเป็นภุมมตักะเทวดา อ, อะไรเทวดาที่ตูกะเนี่ยมม่ไกะคงจะเป็นเทวดาตาม บนพื้นดินนะก็เรียกพุทธเจวดาเช่ไหมตกะไม่ต้องตะกามันจะกล่าวนะมันมันมันแาลีลําบากอ่านตูปตะกะนะแต่มาเข้าฝันว่าช่วยทําบุญต่ออายุให้หน่อยอายุจะหมดไปแล้วอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าอายุพุทธะเจวดาจริงๆเท่าไหร่และทําไมจึงมาเข้าฝันอย่างนั้นเอถ้าพุิมเทวดาเฉยๆนะครับท่านเบื่อยุมาก ถ้เวลาของเราเนี่ยห้าสิบปีเป็นหนึ่งวันของท่านใช่ไหมเราอายุจริงๆท่าน ร, ร้อยปีทิดจำดีนะครับครับห้าสิบปีของเราเป็นหนึ่งวันของท่านสามสิบวันของท่านก็เป็นหนึ่งเดือนของท่านที่สองเดือนของท่านเป็นหนึ่งปีของท่านพนี้ษฐาจะบอกว่าอาศัยที่ทําบุญไปที่ตายวิญญาสิบปีบว่ายุนี่ผ่าไปถูกแล้วสม่ไหมนะครับ แต่ว่าเทวดากลักไออาจจะกลับผิดไปถ้าคุณพรเทวดาไม่กลักไม่ผิดกราบกลับเย่ไหมอ้นี่ก็กผิดไปอาว่าไปที่กราบกลับ เ, เลยสงสัยว่าทําไมไไไถ้าว่าอายุยังไคงคนท่สงสัยนั่นสิเพราะว่าให้ทําบุญต่ อ, อยุ้ยหน่อยถ้าจะหมดบุญแล้วที่ไปทําผิดกฎจราจรเทวดาทำไมล่ะอันน่ากลัวน่ากลัวเขาไม่ข้ามทางม้าลายนะ อ, อสงสัยข้อนี้นะขอให้ท่าจะขอปัญหาไว้สอบสวนให้ดีนะครับถ้าได้มโนยุธิตั้งใจให้เป็นเบกขาเสียก่อนถ้าไปพบกับท่านถามดูเรื่องราวปนยังไงยุติ ไ, ไม่ถึงวันนี่ยุติสียังไม่ถึงวันเหรอครั บ, ร บ, รบสิปี่พวกเราเป็นหนึ่งวันของท่านนะอนี่ไปยังไม่ถึงวันเลยจะหมดอายุหรืสงสัยจะเอาทุนไปน้อยกว่าเลยนั่นเอเองนี้จะต้องสร้างธรรมทาน ท่านั่นดีเอาก็ดีไหมใหย่ใหๆ่ใหญ่ใ่ใ่จั้นไปดีแต่ว่ารอบหลังยอะไเลยเยไเลยไม่กลวไม่กลไม่กลเวลาอยู่เยอะไม่ไม่ไม่กลวเปลียนตังค์นะไม่กลวไม่กลการที่บวชพ่อบวชสามีและบวชลูกนั้นดิฉันจะได้อานิสงส์เหมือนกันไหมเจ้าคะอะไรละ คงจะจับพ่อบวดหัวบวดลูกบวชทุกเนี่ยทุกทุกบวชเนี่ยบวชพ่อแล้วบวชหัวพ่อด้วยหัวด้วยลูกด้วยมันประหยัดรายจ่ายอ๋อหมายบวชรวมกันนั่นแหละได้ได้ได้มากเสอยาดพ่อกับแม่นะบวชลูกหนึ่งคนใช่ไหครับจะมีอริสงเป็นเทวดารือ <necessary> ปุ mm ่มสามสิบกับใช่ไหมครับ ถ้าบวชผัวในฐานะสัญญภาพจะมีนิสงเป็นเทวดารุภมสิทธิสองกับไมออ่เท่ากันเพราะผัวเนี่มันเป็นลูกถ้าลูกจริงจะได้มากออถ้าผัวได้ไม่มากนะทําไมน้อยกอย่างนี้เพพ่อแม่เขามีออถ้าหาว่าผัวที่เราบวชไปแล้วพ่อแม่ของผัวเองเขาไม่ทราบแล้วทั้งทราบหรือไม่ทราบโมทนาหรือไม่โมทนาตามเขาได้นิสงคนละสามสิบกับเต็มเหมือนกัน ก็มีอธิสงที่เสียดีอย่างเดียวคือการบวชการทําบุญอย่างอื่นทั้งหมดถ้าผู้จะรับต้องได้มโนธนาเสียก่อนเว้นไว้แต่การบวชการบวชที่ผู้พ่อแม่ถึงแม้ไม่ได้มโนธนาก็ไม่มีสงสุบุญแบบออย่างที่ท่านบอกว่าในมงคลธิบีครับท่านบอกวิาวดาก ม, ดามารดาเมื่อคลอดบุตรมาแล้วทนะ่ามารดาคลอดบุตรนะนะไอ้หนูนีสส่สายตั้งตรงนี้ าไปใช้หน้าประวัติอะไรเอา ห, หน้ถนถ้าคลอดบุตรมาแล้วแล้วก็ต่างคนต่างแยกกันไปก็ไม่รู้ว่าลูกจะอยู่หรือจะตายใช่ไหมครับต่อมาวม่าลูกครบบุทได้บวตในพุทธศาสนาแล้วบอกพ่อแม่จะอยู่ที่ไหนก็ตามต่างคนต่างได้ที่สงส์สมบุญแบบหมดมีบุญพิเศษอันเดียวคือลูกบวชเนี่ยพ่อแม่ได้รับโดยไม่ต้องมุทนาโอ อย่งนั้นใครมีมีลูกได้บวชก็ได้เปรียดน ะ, ะระวังให้ดีนะใหม่ครับให้ลูกบวชให้เป็นพระนะอะบวชแล้วไม่เป็นพระมีบวชแล้วพ่อแม่ไม่อยู่ใกล้ไม่พบกันเนี่ยมีสงฆพิเศษได้รับเต็มที่อถ้าพ่อแม่ติดต่ออยังเสมอดีไม่ดีพ่อแม่ลงนรกด้วยนี่จะเป็นไปได้ไงครับคุณพ่อถ้าลูกบวช ด, ดีมีสงฆเพิ่มใช่ไหมถ้าประพุทธช่วถ้าครูบาอาจารย์ต่าเตือนลูกก็โกรธ ไปบอกพ่อบอกแม่พ่อแม่ตัวด้วยก็เหมือนกับพระมหากระบินพระมหากบินพระมหากระบินในสมัยพระเจ้าทรงนำมาพระพุทธกระสบใช่ไหมกราบครั บ, รบท่านประพฤติชั่วพระอรหันต์ตักเตือนก็ด่าพระอรหันต์ใช่ไหมคราบแล้วแม่กับน้องสาวก็พลอยด่าพระด้วย<อ>ทั้งสามคนต่างคนต่างตายก็ลงอาวจีด้วยกันหมดทั้งสามคน เห็นไมทาบทราบทราบนี่เป็นเรื่องการบวชลูกบวชพี่บวชน้องบวชญาตเข้ามาในพุทธศาสนานี่ต้องตัดหางปล่อยทําไมล่ะครับหมายความว่าถ้าภูมิเขาา้าเปชาวเด็กผิดระเบียบวินัยเขาลงโทษเป็นเรื่องของเขาโอ้อยาวใจเข้าไปยุ่งทราบทราบถ้าใจเข้าไปยุ่งอะไราโทษหนักมากโอ้เห็นไหมทราบทราบงั้นก็ต้องให้บวชด้วยศรัทธาต้องบวชด้วยศรัทธาแล้วปฏิบัติดีบวชบวชชอบแต่เรื่องบวชบวชที่หนักใจเยอะเหมือนกันนะทราบเป็นยังไงครับหลวงพ่อ เพราะพระที่ท่านมาเจริญกรรมฐานบางองค์รู้สึกจะไม่รู้อะไรเลยอาแล้ววินัยเนี่ยคราบคเอ็มพระบนๆกันว่าท่านอาจจะไม่ได้รับการอึกษามันเลยแล้ววินัยนะครับปฏิบัติเฉพาะบางองค์นะไม่ใช่ทุกองค์นะเจ้าพระเจาพเจ้าะบางองค์บางทีท่านไม่รู้เรื่องวินัยเลยไอ้การไม่รู้เรื่องวินัยเลยนี่ลำบากมากดีไม่ดีอาจจะเป็นอบดับประราชิตตะวันแรกบทก็ได้อ๋อ ประราชิษณ์นี่สิ่งที่มันมีสีข้อสิ่งที่ง่ายที่สุดคือวัตถุวัตถุอะไรทำพ่อของอะไรก็ตามถ้ามันมีราคาเจ้าหนึ่งบาทขึ้นไปอเขาไม่ให้นี่สัยสว่าจะมีอยู่ใช่ไหมครบับหยุดเอามาเฉยๆนี่ขาดเึงประราชิษเลย ท, ท, ทั้งๆที่ผมเหลืองอยู่ก็ขาดเนี้ยถ้าไม่โฮมเหลือไม่ขาด <laughs> ใช่ไหมคราบใช่ไหมไอ้นี่ความเป็นพระ ก, ก็ไม่เหลือนี่ระวังให้มากในการบวชเนะ รู้สึกว่าเวลานี้จะใกล้ใกลๆเอเวจีกันมากเกินไปโอเคแต่เห็นว่าเวลาที่จะนําลูกมาบวชแต่บางทีพ่อแม่มามาฉันเอง เ, เคยเคยโดนคราบโดนยังไงพ่อ <ผม S 1> ครับผมจะลูกมาบวชที่วัดนี้ครับถามว่าโยมเอาลูกมาพบกันก่อนได้ไหมเขามาไม่ได้ครับเขาไม่ว่างเขาเลราชการโอตอบแบบนี้ก็เลยบอกว่าถ้าพ่อมันเลยแบบนี้ลูกบันทีไม่ได้ไม่ต้องมาโอ้ oh oh. พ่ออะไรแม่ถ้าคืนมาลูกเป็นรายชิดแน่ขนาดพ่อยังพูดอย่างนี้ใช่ไ้ของว่าหยิบได้ง่ายรายชิดสีข้อน่ยข้อที่ง่ายที่สุดคือวัตถุเจ๊ไห<อ>มไอการที่ไปร่วมรักกับผู้หญิงเ<ร>ขามีหัวใจแน่เลยที่ตกลงด้วย<ร>จะไปฆ่าคนให้ตายก็ไม่แน่นะักก็จะฆ่าตอบก็ได้จะเอาอุตริมนุษย์ทาว่าฉันผู้วีเศก็ไม่แน่ใจมันยังยากอยู่ที่ง่ายที่สุดคือนําของเส้นราคาตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไป เออพ่อครับถ้าหากว่าเอาไปแค่สามหลึงนี่ขาดของฉันใช่ไม่ขาดจะแว่งและไม่บานเลยโอ้โมีสินแห่งกัินนะเรียกว่าตะบงหมดไปสามส่วนทุกส่วนเดียวโอ้เปิดหน้าเปิดหลังใช <c oughs> ่ใช่ไอ้นี่ลาบากมากจริงๆนะลำ บ, บ, บากโรฮายการบวชนี่สมัยที่พระเจ้าสั่นอยู่ท่านจะต้องเทศให้ฟังจนทั้งเป็นพระอริยะที่ก่อนจริงให้บวชหรือไม่เะนนั้นท่านเห็นว่าควรจะเป็นพระอริยะได้ในเวลาไม่ช้าก็ให้บวช ใช่ไหมนี่ก็ทาแท้ต่อมาเมื่อท่านมอบหน้าให้เจรสงฆ์ท่านตั้งกดไว้เลยว่าคนเรียเข้ามาบวชที่ต้องอยู่ติทยะเปรยวัดติทยะมาตราภายนอกนะครบับเข้ามาศึกษาสิ่สมาธิปัญญาซสก่อนอคําว่าศึกษานี่ไม่ได้มาทั้งเรียนให้ปฏิบัติเลยนะอันดับแรกกำหนบบดไว้สามเดือนถ้าสามเดือนยังเอาดีไม่ได้ห้ามบวชให้อยู่ต่อไปสามเดือน อาสามเดือนสามครั้งเอาดีไม่ได้ห้ามบทตลอดชีวิตออไม่เที่ยวศักดิ์สิทธิรับกันนะไอ้นี่ญาติโยมที่มีลูกเป็นผู้ชายนะมัตะบังให้มากดีไม่ดีก็เธอจะพาพ่อแม่ลงอเวจีไปด้วยพลาไม่ถ้าพาดลงอเวจีแน่ทําไมลงง่ายจังทั้งปวงก็มีบุญมากอย่าลืมว่าเป็นปู่ที่ยะบุคนชาวบ้านเขาต้องไหว้รขณะเมื่อเป็นพระวัดตัวเองไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ปู่ย่าตายาย ก็หมเหลืองปั๊บก็มาปู่ย่าทายายพ่อแม่จังไว้บาปหนักตรงนี้อ๋อบุญมากบุญใหญ่นี่ลงง่ายเนาะบุญใหญ่แล้วก็ถ้าบาปมันก็บาปใจใช่ไหมบาปครับออย่างบุญพอดีบาปพอดีพดีนี่คงไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับถ้ามีอะไรฉันแกงถวายพระตอนกลางวัน ปราโกดว่าน้ำหมักเล็ดลงไปในมใหม้อแกงหน่อยนี่ใคจะชอบหมักอยากจะเรียนทราบว่าอย่างนี้แม่ครัวจะบาปไหมคระหมากน้าหมากมันเล็ดตรงนี้แม่ครัวไม่บาปถ้าแม่คนอาจจะบาปเป็นงไงล่ะครับแม่ครัวเอาลูกมาเป็นครัวเพราว่ า, าเจตนาไม่มีไม่เป็นไรแค่ดูตั้งใจนะเจตนาที่จะแต่งแต่งไม่มีนะไม่เขาไม่ถือเป็นบาป เรียว่าบาปที่ครับแปลว่าชั่วนั่ไม่ได้ตั้งใจทำชั่วใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรสมมติว่าญาติโยมนําเงินมาสร้างวิหารทานแต่นําไปใช้ผิดประเภทอย่างนี้จะผิดไหมครับสบายมากผิดประเภทแบบไหนไม่ได้บอกมาก็คงจะไปใช้เป็นอน้าข้าอาหารบ้างไฟฟ้าบ้างข่าไอ้นูนน่นไอ้นี่บ้างไอ้นี่พระพุทธเจ้าท่านปรับโทษในฐานะย้ายเจดีย์นะ นี่ยหรอครับใช้ก็ระวังให้มากจะส่งเด็กเขาไม่ได้อ๋อเขาไอ้ดังจำนวนนั้นอาจจะไปใช้ได้แต่ยอดของเงินที่มันสร้างสถานการต้องคดตัวเอาหาหามมาใช้เท่ากับที่ส่งเด็กไม่ได้พระเนี่ยเจ็จโอเป็นพระในลําบากนะก็ไม่เชิงอ่ะทำไมก็เดี๋ยวหุงข้าวเองโยงหุงกินนี่อ๋อสบายแบบนี่เล้ยปฏิบัติตัวลําบากมากฝากท่านปรับในฐานะย้ายเจดี โอ้โหเดินหนัมกมากครับขอขาดหมาตา ย, ยคนได้ฆ่าตัวตายเช่นผูกคอตายเป็นต้นก่อนจะผูกคอตายเขาบอกว่าดิฉันกลุ้มเหลือเกอนขอภาวนาพุทโธพุทโธผูกคอตายดีกว่า <c oughs> แล้วแกก็ตายไปจริงๆอย่างนี้จะลงข้างล่างหรือขึ้นข้างบนจะขาดอ๋ออ๋อเราขพ้่งล่ากัาแล้ว แกผูกต่ำหรือผูกสูงอีผูกก็ต้นไม้ถ้าผูกต้นไม้ผูกสูงไม่ลงล่างไม่สม <c oughs> บูรณ์ถ้าภาวนาพุทโธจริงๆระหว่างผูกนะหรือว่าไม่ว่าพุทโธใจจิตนึกถึงพุทโธได้ตายแล้วไปสวรรค์แม้จะผูกคอตายผูกคอตายยิงตัวตายดำน้ํตายก็เหมือนกันถ้าจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ไปสวรรค์นแน่นอนอ๋อ <c oughs>